18. วิธีการภาวนาแบบง่ายวงเล็บเปิดสิ 13. มีนาคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็ปิดเราภาวนาเพื่อสู้กับความไม่รู้ของตัวเองไม่ได้สู้กับคนอื่นหรอกบางคนภาวนาแล้วได้ผลเร็วบางคนภาวนาได้ผลช้าไม่ได้เอาไว้แข่งกันเราสู้กับความไม่รู้ของตัวเองความไม่รู้อริยสัจเพราะเราไม่รู้ความจริงของชีวิตเราถึงต้องมีความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเมื่อไรรู้ความจริงของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยวางหลังจากนั้นเราจะมีชีวิตที่ไม่ทุกข์แล้วเราตั้งเป้าให้แม่นๆนะเราภาวนาไปว่าหนึ่งเราจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างเหมือนเดี๋ยวนี้ที่เห็นก่อนจะถึงจุดสุดท้ายที่ว่าเบื้องต้นต้องเห็นก่อนเป้าหมายแรกเลยเป้าหมายที่หนึ่งต้องเห็นกายเห็นใจนี้มันไม่ใช่ตัวเรา ตัวเราไม่มีในกายในใจนี้ตัวเราไม่มีนอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้คนใดเห็นว่าตัวเราไม่มีจะเป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงที่จะได้ถึงมรรคผลนิพพ า, น, า, า, านในอนาคตจะเป็นพระอรหันต์ในอนาคตแน่นอนถ้าเราไม่มองไกลเกินไปแล้วก็ท้อใจซสก่อนที่จะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เราตั้งเป้าเบื้องต้นซสก่อนเราไม่ต้องไปมองทีละหลายๆจุดเราดูเป็นลําดับลําดับไปเบื้องต้นทําอย่างไรเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มี กายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเอาตรงนี้ก่อนเมื่อก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์บางทีก็ได้ยินคนไปถามข้ามขั้นไปถามว่าจะละกามอย่างไรอย่ารีบละนะไม่มีปัญญาละหรอกได้แต่เก็บกฎละไม่ได้หรอกเบื้องต้นทําอย่างไรถึงจะเห็นว่าตัวเราไม่มีวิธีที่จะเห็นว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่สะกดจิตตัวเองให้เชื่ออย่างนั้น บางคนคิดว่าวิปัสสนากรรมฐานนี่คือการโปรแกรมจิตใหม่สะกดจิตเอาสั่งให้จิตเชื่อว่าตัวเราไม่มีจิตมันไม่โง่ขนาดนั้นหรอกกิเลสนี่ไม่มีใครหลอกมันได้มีแต่กิเลสมันหลอกเราฉะนั้นจะมาสั่งให้มันเชื่อว่าตัวเราไม่มีมันไม่เชื่อมันต้องเอาความจริงมาให้มันดูเข้าไปซ้ำแล้วซ้าอีกดูซ้าลงไปอย่างนั้นเองสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราก็คือกายกับใจนี้เท่านั้นเองฉะนั้นเราก็มาดูดูซิ กลายเป็นตัวเราไหมดูซิจิตใจเป็นตัวเราไหมดูลงไปตรงๆอย่างนี้แหละไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกดูไปเรื่อยๆอย่าลืมกายอย่าลืมใจแล้วคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเอาไว้ถ้าเราลืมไปเราก็ไม่เห็นกายเห็นใจเรารู้สึกอยู่เรื่อยๆอย่าใจลอยอย่าใจลอยนานแล้วดูกายตามความเป็นจริงดูใจตามความเป็นจริงเพราะเราอยากรู้ว่าของจริงเป็นอย่างไรเมื่ออยากรู้ของจริงอยากดูตามความเป็นจริงก็อย่าไปบังคับมัน อย่าไปเพ่งกายอย่าไปเพ่งใจถ้าเราเพ่งกายกายก็แข็งแข็งนิ่งๆิ่งเพ่งใจใจก็แข็งแข็งนิ่งๆิ่งมันไม่ใช่ของจริงเราต้องดูว่าของจริงเป็นอย่างไรไม่ใช่ไปดัดแปลงมันฉะนั้นรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วก็ดูกายดูใจตามที่เข้าเป็นไปเรื่อยๆนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยเมื่อก่อนพวกเราเรียนธรรมะแบบไม่ทราบซึ้งถึงอกถึงใจ เรารู้สึกว่าการปฏิบัตินี่ยากแสนยากคงอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะยุคนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานนี่บางคนเชื่ออย่างนี้โดยเฉพาะพวกที่เรียนอภิธรรมทั้งๆที่คำพีสอนไว้เยอะแยะเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่ายุคนี้ไม่มีแล้วพอตัวเองทำไม่ได้ก็เลยคิดไปว่ามันไม่มีเพราะไม่รู้วิธีนั่นแหละ วิธีทำมันไม่มีอะไรยากเลยรู้สึกลงไปตรงๆเลยมีคนบอกว่าหลวงพ่อเป็นคนที่ประกาศทําให้คนยุคนี้รู้สึกว่าการทําสติปัฏฐานไม่เหลือวิสัยก่อนหน้านี้รู้สึกมันเหลือวิสัยรู้สึกไม่เห็นฝั่งเลยว่ามันจะไปได้อย่างไรมาถึงวันนี้หลวงพ่อประกาศบ่อยมากๆมีคนปฏิบัติตามแล้วเริ่มเข้าใจเริ่มมีความสุขเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจนเกิดแนวโน้มใหมายที่ว่าการเจริญสติหนะไม่ยากหรอก ยุคนี้ถ้าใครไม่เจริญสตินี่เชยแหลกแล้วนะถือเป็นพวกล้าสมัยหลังเขาสมัยก่อนใครปฏิบัติธรรมนี่พวกล้าสมัยพวกหลังเขาเดี๋ยวนี้เราพวกทันสมัยนะเพราะอะไรพวกฟิสิกส์มันไปไม่รอดแล้วพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่เห็นมันจะพ้นทุกตรงไหนเลยมันเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วแต่เดิมนึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นคําตอบของทุกสิ่งทุกอย่างได้ศาสนาพุทธช่วงหนึ่งอ่อนแอมากถึงพยายามขอขอฉันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยสักคนเถอะ พยายามบอกว่ า, าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ยุคหนึ่งก็บอกาศาสนาพุทธเป็นปรัชญาพอปรัชญารุ่งเรืองก็ขอเป็นปรัชญาด้วยบางยุคการสังคมสงเคราะห์รุ่งเรืองใช่ไหมชาวพุทธก็ต้องทำสังคมสงเคราะห์ด้วยเพื่อจะได้มีที่ยืนอยู่ในสังคมสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้ไม่ลืมไปยุคนี้คนเครียดใช่ไหมตลกเยอะนี่ชาวพุทธต้องทาตัวเป็นตลกเพื่อจะได้มีที่ยืนในสังคม ทำไมเราต้องไปอิงอาศัยสิ่งอื่นมากมายทั้งๆ ท, ท, ที่คําสอนของพระพุทธเจ้าวิเศษที่สุดอยู่แล้วพิสูจน์ได้ด้วยใครกล้ามาพิสูจน์เราท้าให้พิสูจน์คําสอนของท่านเป็นคําสอนที่ท้าพิสูจน์ชวนให้พิสูจน์เอหิปสิโกคือพึ่งกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะไม่ได้ชวนให้เชื่อแต่ท้าให้ลองถ้าไม่ลองก็ช่วยไม่ได้แล้วฉะนั้นมาเรียนที่หลวงพ่อรู้สึกไหมหลวงพ่อชวนให้ลองให้ลองปฏิบัติ ด, ดูหลวงพ่อทำของหลวงพ่อมาอย่างนี้แหละ ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ทํามาอย่างนี้จิตใจมันมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้นี่พู้ให้ฟังซื่อๆทุกวันทุกวันเลยคนมหัดตามก็มีความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้พอคนหนึ่งได้ผลก็มีกําลังใจคนที่อยู่รอบๆตัวก็มีกําลังใจเขาก็อยากปฏิบัติ บ, บ้างสิเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเผยแพร่ขั้นแรกเลยเรียนให้รู้เรื่องก่อนเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อน พัฒนาตัวเองเสียก่อนจะไปพัฒนาคนอื่นถ้าเราก็ยังด้อยพัฒนาเราไปพูดให้ใครฟังเขาไม่เชื่อหรอกฉะนั้นเราเปลี่ยนตัวเองให้เห็นอย่างมีนัยยะสาคัญจนเห็นความแตกต่างได้เคยเป็นคนเครียดจัดๆก็กลายเป็นคนร่าเริงชาวพูดสงบแต่ร่าเริงไม่ใช่ร่าเริงแบบตลกโปกฮาคาเฟ่อะไรอย่างนั้นสงบแต่ร่าเริงมีความสุขอยู่ในตัวเองมีความอิ่มความเต็มอยู่ใจไม่ได้หิวโหวยถ้าเราฝึกของเราไปเรื่อยนะ ชีวิตเรามีความสุขคนรอบๆตัวของเราจะเห็นเดี๋ยวเขาก็อยากภาวนาบ้างถ้าเขามาถามเราว่าภาวนาทําอย่างไรล่ะก็บอกว่าไม่ยากหรอกอย่าลืมนะประโยคแรกต้องบอกว่าไม่ยากหรอกทําไมต้องเริ่มต้นด้วยประโยคนี้ก็เพราะหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเริ่มด้วยประโยคทํานองนี้แหละท่านบอกว่าการปฏิบัติน่กไม่ยากหลวงพ่อภาวนาไปก็รู้สึกว่าการปฏิบัติง่ายรู้สึกไปอีกที่หนึ่งการปฏิบัติไม่ยากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถามเราว่า จะลงมือปฏิบัติอย่างไรก็บอกว่าไม่ยากอย่าคิดมากถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วรู้สึกยากรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกทุกข์ทรมานทรมานกายทรมานใจก็คือทําผิดแล้วแหละเมื่อทําผิดแล้วห้ามขยันทําผิดแล้วขยันมันจะผิดหนักเข้าไปอีกวิธีปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมต้องเริ่มด้วยสไตล์อย่างนี้ไม่ยากหรอกเรียบเรียบง่ายๆไม่มีอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวเอาไว้อย่าใจลอยแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเรา เราคอยดูไปเรื่อยๆนี่หลวงพ่อสอนง่ายถึงขนาดนี้เมื่อวานมีเด็ก8ดขวบสองคนมาส่งกันบ้านใครอยู่บ้างใครอายเด็กบ้างเด็กแปดขวบเก้าขวบยังทําได้ไม่ยากเลยเพราะที่หลวงพ่อสอนมันไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่รู้สึกรู้ความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นเราอย่าไปพูดว่าอา้าวไปดูจิตนะไอ้หนูเด็กงงตายเลยให้ไปดูจิตจะดูอย่างไรอย่าว่าแต่เด็กงงเลยตอนหลวงปู่ดูลนสอนหลวงพ่อครั้งแรกท่านบอกว่า เครื่องหมายคำพูดเปิดให้ไปดูจิตอา้าวเข้าใจไหมปิดเครื่องหมายคำพูดเรากำลังปลื้มก็บอกว่าในเครื่องหมายคำพูดเข้าใจครับกราบท่านนะพอขึ้นรถไฟแล้วงงเลยจิตคืออะไรก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเลยเดี๋ยวนี้มาพูดให้คนสมัยใหม่ฟังต้องเอาให้ง่ายกว่านี้อีก คือให้รู้ความรู้สึกของตัวเองไปทำตัวเป็นคนรู้ใจตัวเองไปไม่ต้องให้คนอื่นมารู้ใจเราให้คอยรู้ความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราไม่เคยคงที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันนี่เปลี่ยนตลอดเวลาให้เราดูเล่นๆไปดูเหมือนดูคนอื่นดูเล่นๆ น, นี่หัดดูเล่นๆวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดเองแหละว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขความทุกข์ กุศลอกุศลนี่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยร่างกายนี่ก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเป็นวัตถุเท่านั้นเองไม่มีตัวมีตนอะไรฉะนั้นง่ายๆเลยเห็นไหมง่ายอีกแล้วต่อไปจะเปลี่ยนชื่อเป็นหลวงพ่อง่ายแล้วมันง่ายจริงๆแค่รู้ความรู้สึกของตัวเองไปมันจะยากอะไรละ่ะที่ทำไม่ได้ก็พร้อมไม่ทำเท่านั้นเองหลวงปู่ดูลนทั้งสองหลวงพ่ออีกประโยคหนึ่งว่าเครื่องหมายคาพูดเปิดการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ปิดเครื่องหมายคำพูดเพราะปฏิบัติไม่ยากก็คือรู้เอามันยากก็เฉพาะคนที่ไม่ยอมรู้เท่านั้นเองเอาแต่คิดเอาเอาแต่เพ่งเอาเอาแต่บังคับตัวเองเอาแต่ฟุ้งซ่านไปวันวันหนึ่งเอาแต่สงสัยไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยวิเคราะห์ไปเรื่อยไม่ยอมรู้ความรู้สึกของตัวเองเราลองหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆแล้วเราจะรู้เลยว่าชีวิตจิตใจของเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยขอท้าเลยเรียกว่าท้าพิสูจน์ไม่ใช่ท้าพิสูจน์แบบรายการโทรทัศน์สมัยก่อน จริงบ้างก็หกบ้างก็ท้าไปเรื่อยแหละไม่มีใครเขาพิสูจน์หรอกแต่นี่หลวงพ่อท้าพวกเราลองมาพิสูจน์ดูลองมารู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆดูเล่นๆไปไม่ใช่ไปบังคับมันมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธมันโลภขึ้นมารู้ว่าโลภไปเห็นจิตมันโกรธเห็นจิตมันโลภค่อยๆเห็นอย่างนั้นไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราโลภอีกต่อไปแล้วดูไปดูไปแล้วจะเห็นเลยว่าความโกรธความโลภความหลงความสงสยัยความฟุ้งซ่านความหดหู่อะไรต่ออะไร เป็นแค่ของที่ผ่านมาผ่านไปทั้งหมดความรู้สึกทุกอย่างมาแล้วก็ไปทั้งหมดเลยดูไปดูไปปัญญามันค่อยสะสมไปวันละเล็กวันละน้อยดูบ่อยๆก็สะสมได้เยอะสะสมได้เร็วนานๆดูทีก็สะสมได้น้อยเหมือนตุ่มรั่วถังรั่วนะรูรั่วมันใหญ่กว่าน้ําที่ตักเข้าไปมันก็ไม่เต็มหรอกถ้าเรามีรูรั่วบ้างมันต้องมีบ้างแหละเพราะเราเป็นปุถุชนมันต้องขาดสติบ้างแต่ว่าตักน้ําให้เร็วกว่าน้ําที่รั่วก็แล้วกันวันหนึ่งน้ําก็เต็มได้ ฉะนั้นเราคอยดูของเราไปรู้สึกไปรู้ทันความรู้สึกของตัวเองดูความรู้สึกของตัวเองฝึกเท่านี้แหละลองดูขอท้าให้ลองดูแค่เดือนเดียวเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วไม่ต้องนานศา ส, สนาพุทธไม่ต้องใช้เวลามากสะสมมานานกว่าจะรู้ตัวเป็นพอรู้ตัวเป็นดูกายดูใจดูความรู้สึกเป็นแล้วไม่ยากแล้ง่ายแล้วฉนั้นพวกเราที่มาเรียนใหม่ ถ้าฟังหลวงพ่อเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่พวกที่เริ่มต้นใหม่ๆแล้วสะสมมาก่อนแล้วหลายคนที่ภาวนาหลวงพ่อบอกว่าให้ดูกายดูใจตัวเองรู้สึกตัวดูไปเรื่อยดูไปช่วงหนึ่งไม่นานกลับมาบอกว่าสภาวะแห่งความรู้สึกตัวนี้เคยมีมาแล้วแล้วมันลืมไปใครเคยเป็นบ้างไหมว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันเคยเป็นอย่างนี้แล้วแต่มันลืมไปเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ใช่พวกที่เริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากห้าจากหอะไรอย่างนี้แล้ว เหลืออีกนิดหน่อยเองเหลืออีกเกสบกว่าเองนี่เห็นไหมพวกเราจะวาดภาพไว้ว่าจะเป็นสิบใช่ไหมวาดภาพไว้เลยแกล้งซะหน่อยอยากวาดภาพเห็นกับตัวนี่ตอนนี้มาถึงห้าถึงหแล้วอีกไม่นานมันก็ถึงสิบจนได้ทีแรกหลวงพ่อก็จะวาดสิบแหละแต่เห็นว่ามันคิดล่วงหน้าเลยเอาซะร้อยก็แล้วกันเห็นไหมความรู้สึกเราเปลี่ยนรู้สึกไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ร, รู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงรู้เล่นๆรู้สบายสบาย ถึงวันหนึ่งจะเข้าใจขึ้นมาเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีตัวเราหรอกร่างกายมันก็ทํางานของมันไปมันหายใจของมันไปมันกินอาหารมันขับถ่ายของมันไปกินน้ําเข้าไปเดี๋ยวก็เหงื่อออกมุนเวียนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนหมุนเวียนไปเรื่อยๆร่างกายก็เป็นอย่างนี้เป็นของมันอย่างนี้แหละส่วนจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็รู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวก็รู้สึกอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นของมันเอง จิตใจจะสุขหรือจิตใจจะทุกข์เราก็สั่งไม่ได้จิตใจจะโลภจะโกรธจะหลงก็ห้ามมันไม่ได้จิตใจจะไม่โลภจะไม่โกรธจะไม่หลงแล้วสั่งให้มันเป็นก็ไม่ได้มันมีแต่เรื่องไม่ได้ทั้งนั้นแหละดูลงไปดูจนเห็นความทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยมีแต่เรื่องธรรมดาที่มันทำอะไรไม่ได้นี่แหละเฝ้ารู้อย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้แหละหลวงพ่อภาวนามาง่ายๆแต่ก่อนจะง่ายนี่ภาวนาซับซ้อนมากเลยตั้งแต่เจ็ดขวบนี่ ทำสมาธิทำสมาธิแล้วก็ส่งออกนอกไปเล่นโน่นเล่นนี่เที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรต่ออะไรหาความดีงามใส่ตัวเองไม่ได้เลยมีแต่ฟุ้งซ่านเสร็จแล้วก็ไปคลุกอยู่กับโลกภาวนาอยู่อย่างนี้นานตอนเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังรู้สึกว่ า, าศาสนาพุทธไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมันจะพ้นทุกตรงไหนเลยแต่ก่อนโง่จริงๆคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วจะพ้นทุกพอเข้ามหาวิทยาลัยชักเลือดร้อนแล้วไปเรียนกับกลุ่มมาร์กซิสในวงเล็บมาร์กซิส แต่ก่อนนี้คนที่สอนทฤษฎีให้หลวงพ่อตอนหลังเป็นกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์นะหลายคนเลยดีไม่ดีเราเข้าป่าไปด้วยไม่เชื่อมันหรอกหน้าตาอย่างนี้เน่ะเหรอจะทําเพื่อสังคมไม่เชื่อมันหรอกฟังทฤษฎีก็เคลิมนะตอนเข้ามาหาวิทยาลัยก็หลงลืมศาสนาพุทธไปแต่ไม่ลืมมากหรอกพอลืมลืมไปช่วงปิดเทอมก็ยังอุตส่าห์ไปบวชอีกในใจมันคอยกลับเข้ามาหาศาสนาพุทธแต่รู้สึกว่ามันสิ้นหวังแล้วไม่รู้จะหาธรรมะได้ที่ไหนเลย ตามวัดตามว่าก็ไม่พบครูบาอาจารย์กรรมฐานเราก็ไม่รู้จักอยู่แต่อิสานอยู่ไกลๆไม่รู้จักเลยตอนนั้นเลยคิดว่าโอ้าศาสนาพุทธคงหมดไปแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องหาด้วยตัวเองเราจะไม่รอพระศรีอารหรอกกว่าพระศรีอารจะมาตรัสรู้นี่เราต้องทุกอีกนานเราจะหาของเราเองในใจคิดอย่างนี้มีเชื้อพุทธภูมินิดหน่อยที่มีเชื้อพุทธภูมิเพราะรู้สึกว่าหาไม่ได้แล้วพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วขอพึ่งตัวเอง พวกเราต้องใจถึงถึงพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองให้ได้จนกระทั่งเรียนจบแล้วถึงได้ไปรู้จักรลวงปู่ดูลพอรู้จักท่านแล้วนะโอ้โหทิ้งทุกอย่างเลยภาวนาไม่เอาแล้วมาร์กซิสไม่เชื่อมันแล้วตอนหลังก็เห็นว่าอะไรอะไรมันก็สู้กิเลสไม่ไหวหรอกลัทธิอะไรมันก็สู้กิเลสไม่ไหวหรอกประชาธิปไตยก็เครื่องมือของกิเลสคอมมิวนิสต์ก็เครื่องมือของกิเลสกิเลสเอาไปกินหมดแหละคือถ้าคนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมนะ ทำอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่เราทำคนทุกคนให้มีคุณธรรมไม่ได้เราปรับตัวเราเองก่อนท่ามกลางฝูงหมาขี้เรือนนี่ทำอย่างไรจะอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ไม่ใช่ทำอย่างไรโลกนี้จะไม่มีหมาขี้เรือนมันต้องมีหลวงพ่อก็หัดดูความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆดูไปเลยวันนี้ตื่นขึ้นมาสดชื่นวันนี้ตื่นขึ้นมาแห้งแล้งดูอย่างนี้แหละ ใครก็ดูจิตแบบอื่นเราไม่รู้ด้วยเราดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมาบางคนไปดูตัวจิตตรงๆก็มีได้ยินหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตไปดูตัวจิตตรงๆตัวจิตตรงๆมันดูไม่ได้หรอกเพราะจิตนั่นแหละเป็นตัวดูจิตเป็นธาตรู้เป็นธรรมชาติรู้จะไปดูธาตรู้จะเอาอะไรไปดูก็เอาธาตรู้ไปดูธาตรู้เกิดแล้วก็ดับตัวจิตเกิดแล้วก็ดับดูไม่ทันแล้วไม่เห็นเลยว่าแต่ละตัวมันแตกต่างกันอย่างไร แต่พอเราดูจิตที่ประกอบด้วยเจตสิกอย่างประกอบด้วยความโลภความกโกรธความหลงเราเห็นเลยจิตที่ประกอบด้วยความโลภเกดิดแล้วก็ดับจิตที่ประกอบด้วยความโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่ประกอบด้วยความหลงเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับดูอย่างนี้ดูง่ายๆเฝ้ารู้เฝ้าดูปรากฏว่าตอนหลังพอภาวนาเป็นไปอ่านประยัตเข้าโอ้โหตรงกันเป๊ะเลย อย่างจิตต า, า, านุปัสสนานี่ท่านไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูจิตเอาไว้ไม่ได้พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมท่านให้ดูอะไรไม่ได้ให้ดูตัวจิตตรงๆภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะใช่ไหม ไม่ใช่ดูตัวจิตนะเพราะตัวจิตล้วนๆเลยมันมองอะไรไม่เห็นเหมือนอากาศที่ว่างเปล่าอย่างนี้มองไม่เห็นฉะนั้นเราหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาความรู้สึกที่เป็นกุศลอกุศลเรียกว่าสังขารเฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยไปดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะเห็นเลยว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างเกิดแล้วดับใช้เวลาไม่นานเห็นไหมง่าย รู้ความรู้สึกของตัวเองไม่ยากแต่ขี้เกียดรู้ชอบไปรู้ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่ารู้สึกไหมเวลาเราไปอยู่กับใครเราก็ต้องคอยดูใช่ไหมว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเขาจะโชคเราไหมรือเดียวเขาจะชอบเราหรือเปล่าเราจะละเลยที่จะรู้ความรู้สึกตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติไม่ยากนะการที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองนี่ไม่ยากมันยากเฉพาะคนที่ไม่ยอมรู้โมแต่ไปดูอย่างอื่นฉะนั้นเราคอยรู้สึกนะไม่ยาก